พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิองพระสูตรที่32มสหาโคสิงคสารสูตรสูตรว่าด้วยป่าไม้สาละชื่อโคสิงคะสูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับณป่าโคสิงคสารวันพร้อมด้วยพระเถระผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงคือพระสาวรีบุตรพระมหามกคลานะพระมหากัสปะพระอนุรุธพระเรวัตต์